กข็ขอน้อมน้อต่อพระไตรก็อกาสเพื่อนสานทำมิตรที่วรบเจริญพรเจริญธรรมาอย่างกุญแม่ชีมาทำทุกท่านจากนี้ลองทาบัดเราก็ฟังคําพูดเมื่อเย็นเราได้ฟังสื่อของหลวงพ่อเขียนนะ เช้าวันเราก็ฟังสดๆของหลวงพ่อเขียนเป็นคำพูดเจนทันสรุปไว้การแบบทำต้องมีเอกลักษณ์เราเรียกว่าอัตลักษณ์ก็ได้นะอัตลักษณ์อัตตาตัวตนนี่แหละแต่ว่าเป็นลักษณะช่วยไม่ทำ ดีในทำไปใจบริสุทธิ์มันก็จะเป็นตรงขอ ง, งสมเด็จสัมมาเจ้ชาคือละชั่วทำดีชำระจิตเป็นหลักการของชาวพุทธเป็นหลักใจก็จะา ก, การเรียนรู้แล้วก็จำแจ้งแตกฉานเราจะได้เห็นล่อง ของกายวาจาใจการใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจของเราแบบจับแจ้งแล้วแตกฉานเรื่องตัวเราเรื่องของรูปธรรมเรื่องของนามธรรมเราเกี่ยวข้องกับวัตถุ123่งเกี่ยวข้องกับบุคคล123่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ก็ตกลงร่วมกันของสังคมกฎหมายระเบียบวินัยจารีบประเพณีต่างๆมันก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาแต่จะใช้สติใจปัญญาก็ต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ให้มากพอมีให้มากจนถ้ามันพึงได้แล้วก็พอใช้จิตเราก็จะมีความผาสุกมีปัญหาก็ ทะลุทะลวงเห็นด้วยสติด้ปัญญาด้ตาในตาเนื้อเราเห็นวัตถุรูปธรรมลูกตาเห็นรูปรูปมากระทบทางตาจักษุวิญญาณเสียงมากระทบทางหูโสดตาวิญญาณว่าจะมีวิญญาณไปตามทวารต่างๆต า, ต า, ต า, ตาหูจมูกเลี้ยนกายใจใจเขาเรียกมโนวิญญาณอันนี้ ต้องสัมผัสด้วยตาในตาสติตาปัญญามีความรู้สึกตัวเราก็มาพูดถึงมที่แลวว่าความรู้สึกตัวการที่ฝึกการนั่งการเดินการยนืนการนอนก็เพื่อให้เห็นทุกทุกกายปานไฟไหม้ทุกใจปานฟ้าผ่าทุกใจมันเกิดที่ความชิดเราจะเห็นว่าเวลามันเผลอ มันไม่สมดุลมันไม่ปกติไม่เป็นกลางมันจะเผลออันนี้เป็นธรรมชาติของฝ่ายหลงอะนะไม่ได้จ้างไม่ได้เสียเงินไม่ได้ให้เงินเดือนแต่มันทำหน้าที่ทำงานแบบถี่ยิบเลยขยันมากตัวหลงเราก็จะต้องโตตอบทักต้วงมีเจตนารู้มันเจตนาหลงบางทีมันติดะนะมันติดกระเรียววิญญาณ เป็นจริตนิสัยออนิสัยสันดานมันติดเสร็จแล้วมันก็มีแรงดึงดูดกับดักบัตตะสงสารแรงเวี่ยงของกิเลสเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากก็อยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากมันเวียงจิตที่มันไม่มีพะละไม่มีกําลังไม่มีสติอินทรีย์มันก็เพียงพล้รำไปตามแรงของกิเลส กิเลสกรรมวิบากมังกรพาทุกแล้วทุกอีกทํามาแล้วกเก็บมาแล้วคิดแล้วคิดอีกจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับมีผลกระทบไปเกี่ยวเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเราก็จึงเห็นเห็นกายเห็นใจนะมีที่อยู่มีบ้านนี่มาตรฐานของจิตก็คือฝึกให้มารู้ลมหายใจเข้าออกฝึกให้มารู้ ทุกที่เกิดจากตากระพริบนฝึกให้มันรู้ทุกที่เกิดจากการเคลื่อนไหว14จังหวะการเดินการนั่งการนอนข้อยียดเชื่อนไหวอวัย ว, ว, วะต่างๆทุกทางนั้นเราเห็นแล้วอ๋อมันทุกมันเคลื่อนมันไหวมันแก้ทุกหาทางดับทุกลดลาเลิกเอาเข้าเอาออกมันเป็นการปรับสมดลุล เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสมดุลเราได้เห็นความคิดมันก็เป็นนามธรรมที่เกิดดับเป็นวัตถุเป็นอาการเป็นปรมัติตมันก็เกิดขึ้นที่จิตเหมือนกันก็จึงมีการฝึกกันเฝ้าดูใหม่ๆเฝ้าดูจริงๆก็เป็นวิชายามเนี่ยละมาเฝ้าดูตัวเองสติเหมือนในทวานบานเป็นยามเฝ้า จิตเขาเขาออกออกก็ผ่านความรู้สึกตัวประตูใจเราก็เห็นแล้วเห็นอีกกลับมาได้ทุกครั้งเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องกลับมาได้ทุกครั้งที่ว่าทุกครั้งว่าสติมันเต็มพื้นที่สติมเป็นพลังของชีวิตเป็นพื้นที่ของชีวิตมันเป็นแรงกายแรงใจถ้ามีแล้วมีกําลังใจเรียกว่าพระหรือเรียกว่าพรหมจรรย์ จิตบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีทั้งอัตตะความลึกซึ้งทราบซึ้งมีทั้งพยัญชนะก็คือลักษณะของจิตมันคิดเป็นพยัญชนะเป็นภาษาพูดตัวเองสอนตัวเองเป็นจิตสอนจิตมีจิตสํานึกเกิดขึ้นมาได้ทักทวงได้ตรวจสอบลองรอยของอดีตที่ทํามาคิดดีพูดดีทดําดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี ย้อนกลับมาให้เกิดจิตสํานึกเคสหลาบบางอันบางเรื่องในเขคสคิดแล้วว่าน้ําตาไหลคิดแล้วก็เจ็บปวดคิดแล้วก็มีความรู้สึกมันเหมือนโดนทิ่มกันมาเหตุการณ์กําลังปลากฏขึ้นมาคิดถึงแม่ตายคิดถึงพ่อตายคิดถึงเคยมีคู่อาฆาตพยาบาทศัตรูมีคนไม่ปรารนาดีคิดถึงมันแควนขับแขนใจ เราเด่นมันมีพลังนมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตบทวนไข่กลวนแล้วก็มีจิตสำนึกขึ้นมาเกิดความให้ให้อภั ย, เ, ยเกิดความเมตตาเกิดความกรุณาเกิดแล้วก็แล้วไปไม่ถือสาหาความมันก็เบามันก็รู้สึกอเออมันได้คําตอบไม่ต้องไปแก้ไขที่ใครทั้งหมดแก้ไขที่ใจเรา ทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวการเดินจงกรมการนั่งสร้างเจ้าว่ารู้ว่านั่งดูลมหายใจวิธีการใดๆก็ตามที่มีอยู่ในโลกแล้วเราก็สนใจเราก็ทดลองดูพิสูจน์ดูฝึกหัดดูแต่เห็นจริงมันก็เป็นเรื่องที่ประทับอกประทับใจมีทางออกมีหนทางสู่การพ้นทุกตามคาสอนแนวศาสนาต่อไป เราก็ยิ่งมันก็ไม่เห็นคุณเห็นค่ามันก็ไม่เพิกเฉยเลยละความต่อเนื่องก็เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าใครก็ตามอ น, นะที่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยโดยว่าในรูปแบบเลยนะเราจะเห็นได้บางทีเนี่ยมันทํามันก็ไม่ได้อะไรความรู้สึมมม ก, ม, กมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ทํามันก็เหมือนก็จะถอยเลยนทํำก็ไม่ได้อะไร ถอยก็ไม่ได้เลยมันมันมีแต่เออรู้สึกมันงงงงเบลอเลอแล้วก็รู้สึกมันเอาไงดีต่อไปตัวนี้เห็นพระหลายคนก็ศึกนะหมายถึงว่าทำมามันไม่ก้าวหนะแล้วก็ศึกไปเลยไม่เห็นมีอะไรเลยกลับดีกว่าไปอยู่เดิมๆ ด, ดีกว่าหรือว่าโยมที่จะกลับบ้านดีกว่าม่เห็นมีอะไรเลยมาวัดปฏิบัติธรรมนะก็เห็นอยู่จํานวนมากนไะปอยู่ที่นี่มาสิบห้าปีนะ เห็นคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างทีก็กลายเป็นเข็ดหลาบวัดไปเล ย, เลยก็มีเหมือนกันมาเจออากาศหนาวเขตดอากาศหนาวมาเจออาหารซ้ำๆบางทีลมหายากินข้างล่างก็มีมันเบื่อมันเหมือนกับว่ามันอืมมันชีวิตมันไม่เต็มมันพล่องอยู่เสมอเราก็เลยเห็นว่าลักษณะของกําลังใจเนี่ย ที่มันจะเกิดขึ้นมาจากการกระทำนะบางทีเราสังเกตดูนะละเชื่อทำดีชำระจิตนะกลไกลของตัวภาวนานะโดยว่ารูปแบบปฏิบัตินนะไม่ว่าจะเป็นสัมมาหังยุบหนาพองหนาพุทโธนะหรือว่าตายตายตา ย, ตายหนึ่งสองสามสีอ่อะไรก็ตามที่มีอยู่ในเมืองไทยนะบางทีเราก็เห็นว่า มันเป็นตัวภาวนาแต่ว่ามันลดฐานลงมาเป็นเรื่องของการทําดีถึงพร้อมเทระว่านี่บุกบุกปฏิบัติแบบขูดเกาจริงๆมีกรอบมีขอ้อมีแขนแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดจริงๆมีทุดงกวัดขูดเกาเช่นก็คืออาจจะไม่นอนเลยในสชิกอะไรเงี้ยจะนั่งอยู่ที่เดียวจะใช้อบเดียวยืนอย่างเดียวยืนขาเดียวบางคน เรียกว่าขูดเก่าทีเดียวแต่ละว่ามีการบรรลุธรรมมีการฝึกขัดเปิดใบกันเต็มที่วิปัสสนาญาณมันแจ่มแจ้งขึ้นไหมหลังจากที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรจิตฉลาดขึ้นไหมมีสติมีปัญญาขึ้นไหมเป็นสติปัญฐานเป็นปัญญาพุท ธ, ธะมันจะไหลไปได้คําตอบส่วนใหญ่อีกกรณีหนึ่งก็คือรถฐานมาทางมหายาณเนี่ยจะรถฐานนิดนึง ใช้ทำดีถึงพร้อมตัวทำดีถึงพร้อมไปที่ไหนใครก็รักมีวัตถุทาน็นการให้น้ำจิตน้ำใจต่างๆมากมายเขาก็รักษาไว้ได้พุทธศาสนาสูญหายไปที่ประเทศอินเดียหลังจากที่เผานารันทาเสร็จมหมาลายลันตามหาลายของชาวพุทธใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากนั้นแต่กระจายกันไปพุทธศาสนา หลบไปทางลาดักตอนเหนือของประเทศอินเดียอากาศหนาวจัดก็มีคำเพี์ไปแล้วก็หลบหลบซ่อนๆโดยการช่วยเหลือเพื่อแพร่กันแฝงๆตัวไปที่ไหนใครก็รักท้ายสุดก็สามารถสืบทอดศาสนาไว้ได้แต่ว่าเทรลาวาตสูญหายไปประมาณเจ็ดร้อยถึงันหอปีวิธีปฏิบัติต่างๆหายไปเลยแล้วเพิ่ง ม, มาโผล่ทีหลังอีกทีหนึงอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็จึงอืเห็นว่าการทําดีก็เป็นการรักษาตัวรอดเป็นยอดคนเหมือนกันะกับลดฐานมานิดนึงก็ได้เช่นเวลาปฏิบัติมันเกิดอาการง่วงซึมงขึ้นไหมการมาฐานไปไม่รอดเลยเสแล้วเสอีกไม่ไปไหนเลยทํากี่วันกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ง่วงอยู่แล้วน่ะบางทีก็ไปพูดคุยกันถ้าพูดคุยนะถือว่ามันหลุดลูดลงมาเลยนะจากละชั่วจากการทําดีมันลูดลงมามาเป็นรษณะของ การพูดคุยเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราชำระจิตไม่ใช่หมายถึงว่าทําดีแต่มันเป็นเรื่องของจิตของเรามันเริ่มละเริ่มหลุดหลงเวลาหลงก็ตัวชั่วนั่นเองนตัวหลงก็คือตัวมือตัวโง่ในตัวบาบนั่นเองตนเห็นตัวบาปตัวอกสนตัวไม่รู้ตัวหลงตัวหลงหลงเนื้อหลงตัวตัวนี้ทําไงเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ย เกินไหวรู้สึกอยู่ดีๆมันเกิดทำไม่ได้ไปซักผ้าก็ยังดีไปล้างห้องน้ำก็ดีกว่าไปเก็บกล่องนมเก็บขยะไปแยกนะสุดยอดทำดีถึงพร้อมแต่ถ้าไปพูดไปคุยหรือว่าแอไปนอนหลับก็แสดงว่าชั่วเต็มๆไม่มีใครเห็นแต่เราเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็จะคล้ายๆกับกลางวันเราก็จะไปนอนกัน ถ้านอนมีสติก็ได้บางคนนอนเป็นวิปัสสนาก็ได้ทำกรรมาฐานเดินจงกรมเป็นสมถะตลอดก็ได้แต่ก็ต้องนอนให้เป็นนะเวลานอนก็หัวถึงเหมือนปั๊บก็กำหนดสติดีๆแล้วก็แต่เห็นว่ามันสบายผ่อนคลายก็ลุกขึ้นปฏิบัติสดชิญแล้วก็ลุยเลยเหมือนเคยได้ยินได้ฟังหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนบอกว่าเวลาปฏิบัติครั้งแรกเลย หลังจากที่ตั้งใจมาวัดแล้วมันก็เข้าอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้มันมีแต่ง่วงกับง่วงอะนะหลวงพ่อเตียนก็เออไปนอนเถอะพอไปนอนปั๊บมันก็ว่าตัวเองบน่นว่าอืมก็มาปฏิบัติตามัยมานอนลหละก็ลุกขึ้นไปเดินมันก็สั่งตัวเองให้ลุกขึ้นไปนั่งสร้างจว่าไปเดินจงกรมเสร็จแล้วพอไปเดินจงกรมก็ง่วง่อง บอกให้ไป น, นอนอีก่ก็กลับมานอนอีกจนกระทั่งหลวงพ่อเทียนด่าตัวเองว่ามันเป็นบ้าไปแล้วงไงเดี๋ยวก็จะนั่งเดี๋ยวก็จะนอนเดี๋ยวก็จะเดินมันอะไรกันเนี่ยเอา้าจะนอนก็นอนซะก็เด็ดขาดรัวเองว่าถ้าลุกขึ้นมาต่อไปนี้จะไม่นอนเด็ดขาดเนีก็ตานใจแต่ว่ามีเงินไขว่าท่านนอนต่อไปนี้จะไม่นอนอีกต่อไปหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้นอนแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคน เรียกว่ามีบา ร, รมีมาแล้วอ่ะนะสร้างบา ร, รมีมาจนถึงพร้อมพอปฏิบัติไม่นา น, นะนก็พุ่พระพุ่พระพุ่พระภายในสองวันเนี่ยเต็มที่เลยจนบางคนก็บอกว่าวันเดียวเท่านั้นแหละหลวงปู่เทียนเข้าใจทั้งระบบเลยเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นจริงอ่ะนะคนบาราณมันรู้จัโกหกพุทธเดมเวอร์เวอร์ทําไมพระเจ้าบอกเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหลวงปู่เทียนบอกอย่างเร็วสุดหนึ่งวันถึง เกวันก็คือ3เดือนใช่ไหมเดือนมี30สวันหารมาแล้วเหลือ3ามเนี่ยเราก็อ๋อหนวันถึง3มเดือนอย่างกลาง1นึ่งปีถ้าเกินวัยรู้สึกตัวเป็นหนึป่ปีอย่างกลางเลยนะมันก็สามารถที่จะเข้าใจทำมาทั้งระบบแหลจ่าสุดก็คือ3มปีกันนี้เรามาดูตัวเลขไว้หนึ่งปีนะี่คือใคร3มปีนะี่คือใคร แล้วก็หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันก็คือไข่ก็ว่ากันว่าหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันคือตัวหลวงปู่เทียนเองตัวเขาเองตัวท่านเองนั่นแหละปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วจนเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดคุณค่าในการใช้ชีวิตดารงชีวิตตายก็ไม่ทุกข์เงี้ยนะเราก็โหมันเป็นอย่างนี้ขนาดนี้เลยถ้ามันเป็นจริงๆนี่น่าสนใจนะอย่างเงี้ย อย่างกลางคือใครอย่างกลางก็คือภรรยาของท่านเองหลังจากท่านรูนะ้เรื่องการฝึกทาัดปบัติธรรมจรลสติแนวเคลื่อนไหวท่านก็สอนคนที่ใกล้ตัวที่สุดคนที่ท่านรักแล้วยังมีชีวิตอยู่คือภรรยาของท่านเราเป็นคนที่ด่าทัานด้วยวันทอดกรถิ่นบอกว่าทอดกรถินได้บากทอดกระถินไปนรกแล้ว ก็เห็นบุญคุณนะฮนะไปสอนภรรยาทั้งๆที่ยังนุ่งเกงขาสั้นยังไม่ได้เบิดพระสอนคนมาสองปีกับแปดเดือนหลังจากที่รู้ภรรยาแล้วก็ใจธรรมะใช้เวลาหนึ่งปีตัวภายในสามปีคือตัวหลวงพ่ออมเขียนนี่แหละหึงพ่ออมเขียนเคยพูดกับผมแรกมาบอกวสองปีกับแปดเดือนว่าเขาใจธรรมะหลังสุดคือแก้วแตกขาดรับประทานอาหารอยู่แล้วก็กำหนดรู้ กายเคลื่อนไหวเจริญสติแล้วก็นั่งอยู่จนมันอิ่มมันก็สบายมันมีอาการวูบขึ้นไปบทสนทนา น, นี้เมื่อสองวันก่อนก็ยังได้คุยกันเมื่อสองวันเนี่ยจนทั้งหลวงพ่อเทียนมาถามรู้ได้ยังไงเนี่ยพูดได้ขนาดเนี่ยรู้ได้ยังไงรู้มาจากการทําอะไรหลวงพ่อเกี่ยงกันนี่แหละทํานี้แหละเคลืค่อนมือรู้สึกตัวเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยหนังถือไม่ได้อ่าน หลู่เทียนบอกให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็เคลื่อนไหวรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะจนทางมันพูดได้อย่างเงี้ยแก้วแตกหรือว่าใช้คำว่าหมดเนื้อหมดตัวมันนั่งๆอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับขันห้าต่อไม่ติดขันห้าหมายถึงรูปธรรมแล้วก็นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เมื่อกี้เราสวดบนต์ธมวัดกันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตน ต่นเห็นภาะว่าขันท่าเหมือนกับมือแล้วมันแบไปข้างหลังก็คือถ้ามันแบไปข้างหลังมันก็ไม่มาจับกันนะไม่เป็นอุปท า, านไม่ยึดนะปกติมันกรรมไงเนี่ยพฤติกรรมมันกรรมทางกายวาจาใจเวลาดูรูปมันก็ไปกรรมรูปอุปท า, านทางรูปหูฟังเสียงอุปท า, านทางเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสสมองคิดนึกปรุงแต่งจิตใจของเรา มันไปเห็นอะไรมันก็ไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้ดูนะมันเห็นแล้วมันหลุดพลุกไปเลยอันนั้นเป็นสันชาตยานปุถุชนคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นจริงชนแบบหนาๆชนแบบหยาบๆชนด้วยอารมณ์ทั้งหลายโกรธก็ทะเลาะกันฟันกันกระแทกกระทันกันใครมีกําลังกายเนื้อฝ่าก็จะเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะใครมีเขี้ยวแหลมเนื้อฝ่าใครมีกรงเล็บดีๆแข็งแรงยอม เลยเป็นหัวหน้าหมูอะไรเงี้ยนะอันเป็นระกษณะของสัตว์เดรัจฉานเลยนะปุต <c oughs> ชนหรือว่าเดรัจฉานมันชนเงินแบบนั้นแต่ว่าอาริยชนก็มีแต่กลับมาจัดการกับตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับน้องก็มาเอาใจกลับมารู้นัวรู้ตัวรู้สึกตัวแก่ทีเราทั้งหมดเลยรู้ลบเป็นปีกรู้หลีเป็นหางมีสมาธิตัต้งมันไม่วอกแวกไม่วัไวนไหว นีเราก็จะได้เห็นออกมันเป็นล้วนะของจิตที่ได้รับการฝึกหัดเป็นอริยช น, นแต่ปัญญาชนก็เอาเหตุเอาผลกั น, นขอกฎไม้บ้างใช้หลักการของกลุ่มคนที่เราแต่งตั้งให้เป็นปูชาณียบุคคลบ้างเป็นบุคคลสําคัญของโลกของประเทศของชุมช น, นเป็นต้ น, นแต่ว่าล้วนะของความรู้สึกตัวสี่ปฐาร น, นี่มันกลับมาจัดการน กลับมาบ้านมาตรฐานของจิตก็คือปกติมันกลับมาหาสมดุลตัวนี้แล้วก็เหนือเหตุเหนือผลเหนือสมมติเหนือบัญญัติต่างๆเป็นเรื่องของทุกคนที่ได้เจอได้เจอต่อไปหลวงพ่อเขียนได้พูดถึงแก้วแตกมันเอามือมาแล้วก็แบหันหลังแต่กันมันก็ไม่ได้ไปกรรมอะไรแต่เมื่อไหลมหันหน้ากหาการคันห้าหันหน้ากหาการประชุมนมันก็เป็นกรรมดีกรรมชั่ว เมตัวสังขารมันคิดขึ้นมามันคิดด้วยแล้วนะของสังขารบริสุทธิ์มันก็คิดพูดทําเป็นความบริสุทธิ์แต่สังขารไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยตัวหลงอวิชชาความไม่รู้มันก็เป็นภพภูมิทันติเปต ส, สนรกอสุรกายอบายภูมิเดรฉานครับเป็นอายภูมิภูมิต่ําส่วนใหญ่จะไหลสู่ภูมิต่ําแบบนั้นคิดแล้วกัดต่อตัวเองคิดแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น ต น, นเรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเลิ ก, กลคิดกันทีถ้าไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่ถ้าจะเจตนาคิดก็คิดมันก็เกิดนะความแยบคายความรอบคอบความลึกซึง้งหลายแง่หลายมุมยังเรียกว่าโย น, นิโสมัจสิกา น, นนะนะมันเกิดการแยกแยะขึ้นมาหลายแง่หลายมุมขว่าจะสรุปเราพูดไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้มีเลสในไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมทั้งหมดพูดแล้วก็แล้วไป ก็จึงเป็นเรนื่ของการทำดีแต่ใจบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นเรื่องของทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องสัมผัสได้แน่นอนอย่างช้าเจปีอันนี้เป็นข้อกำหนดขององค์สมเด็จสามมาเจ้าเจ็วันเจ็ดเดือนเจปีก็เห็นว่ามันก็น่าสนใจไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเจดปีหลวงพ่อเทียนบอกว่าสามปีอย่างช้าพะพระเจ้าค้นหาไว้นะเรามาเดินตามรอยเลย ไมไดมาคดคิดอะไรมัาคิดค้นเราก็จึงสัมผัสได้ทันทีทุกครั้งที่เดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะทุกครั้งที่มารลมหายใจแต่ว่าลมหายใจการกระพริบตาก็เป็นเองเป็นเหตุปัจจัยเป็นกลไกของรูปธรรมเป็นเองแต่การที่เราเจตนาเคลื่อนอันนี้ตัวเจตนาจะเป็นกรรมฐานกรรมฐานต้องใส่เจตนา เจตนาไม่ใช่คำว่าเพ่งเพ่งก็คือเพ่งเจตนาคือเจตนามันคนละตัวกันกําหนดก็คือกําหนดกํากับก็คือกํากับมันคนละตัวกันมันไม่ใช่คําว่าความโลภความอยากมันคนละเรื่องคนละราวเลยแต่เห็นอาการจริงๆแล้วแต่คนชอบอ่าพูดรวมกันเฉยๆหรอกทุกตัวทำมาไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนงะตอนที่สังเกตดูทุกตัวนะตหลงมันก็ไม่ดีสักตวัวหรอก อย่างเช่นความขยันนะ่ะลองหลงขยันดูแต่ขยันหลงดูสิมันก็ไม่ดีนะขี้เกียดนี่คนบอกว่าไม่ดีลองขี้เกียจโกรธ ด, ดูสนะิขี้เกียจถ้าเกินไปทําให้คนื่นทุกข์นะมันดีไหมมันดีนะตัวง่วงในดีแต่เวลานอนนะมันง่วงนะดีหลับหลับไปแต่ขับรถง่วงไม่ดีอ่านหนังสือง่วงไม่ดีไปทําทง่วงเนี่ยจะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ดีก็ได้ดีก็คือมันหมายให้ศึกษาว่าชั้นคือนิวรธรรม ไม่ดีคือหลงก็ไปในความง่วงอย่ังกระทั่งเหมือนกับว่ามันผักหัวใสหัวดันเสร็จแล้วก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเรามาเห็นมันเนี่ยโอ้มันดีเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติสติระลึกรู้ความรู้สึกตัวอันนี้คือกุศลอันนี้คืออกุศลที่เกิดขึ้นอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จึงเป็นสภาวะของอาการถทำให้หายคาจริงๆนะ ไม่ค่ะจริงเนื่องจากเกิดการเบื่อหน่ายกายจางในสภาวะของอาการเกิดดับต่างๆมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเหมือนกับมันหล่อเลี้ยงอยู่เป็นประจําคือสภาวะของความเป็นปกติแล้วมันก็มีอยู่อย่างสม่ําเสมอถ้าไม่หลงนะถ้าไม่หลงนะแต่ว่าตัวหลงตากมันไม่รู้สึกตัวมันเฉยๆมันก็พร้อมหลง แต่ถ้ารู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อันนี้มันกเชื่อได้ว่าใหญ่างนิน้อยมันก็ไม่หลงไปไกลพอมันอยู่ใกล้ๆตัวเองมันหลงมันก็หลงแค่หลงเนื้อหลงตัวหมายถึงว่าหลงไปเพ่งหลงไปจมหลงไปแช่อยู่ในความรู้สึกที่ฐานกายอันนี้ถือว่าเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานเกิดสมาธิจะเป็นเหมือนกับที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดเมื่อวานก็คือเวลามีสมาธินำเนี่ยสมาธิอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันจะลืมหนาว ลืมหนาวไปเลยยอมไหมมันก็เราเวลาตั้งใจทําอะไรแล้วมันได้ลม์นะอย่างเช่นก็ชอบเปียบเทว่าเวลานั่งเล่นไพ่อะไรทั้งคืนลืมเจ็บลืมปวดไปหมดเลยยอมแต่ลองนั่งทํ า, าทวัดสวดมนต์นะฟังเทศฟังธรรมมาชั่วโมงเดียวเราพริกแล้วพิกอีกกยับอยู่นั่นแหะถ้าวนไหนพูดดีๆมันดูใจนะตั้งใจฟังเอา้าลืมเหมือนกันมันจะลืมเจ็บลืมปวดนั่นนะคืออาการของสมาธิเวลาเราปฏิบัติก็จะเป็นอย่างงี้นะ มันจะรู้ตัวเองรู้ตัวเองจนที่มันลืมไปเลยใครไปใครมาลมพัดลมเพไม่ได้สนใจเลยว่าผ่าเปรี้ยงลงมาหน้าฝนยังไม่สะดุ้งเงี้ยเวลาตุ๊กแกมางูผ่านไปผ่านมาตะขาบแบงป่องยังเฉยเฉยเลยมันก็จะไปตรงอารมณ์ที่หลุมพาะเทียนเกิดก็คือวันที่ท่านรู้รูปนามนะผมและธมาเคยได้ยินในการฟังเทศฟังธรรมขณะที่นั่งสร้างความรู้สึกตัวอยู่เช้าเ้าอย่างเงี้ยนะ แมงป่องแม่ลูกอ่อนตกใจขามันตกใส่ท่านมีความรู้สึกตัวอยู่ท่านก็ไม่ได้สะดุ้งนะท่านก็มีความรู้สึกอืมแมงป่องก็เป็นรูปธรรมขาเราก็เป็นรูปธรรมรูปธรรมกับรูปธรปมรมมันไม่ได้ทําอะไรกันไอ้จิต ท, ที่กําลังสัมผัสอยู่เตอนนี้รู้สึกอยู่มันก็มีสติอยู่เออมันก็ไม่ได้ทําอะไรเออในสติลองสั่งซิให้ทําบุญทำทานน ให้จิตสร้างบุญสร้างกุศลสั่งกายเอาไม้เอามือไปหยิบไม้มาแล้วก็เอามาให้แมงป่องก็ไตนี่คือการสั่งด้วยสติก็เรียกว่าวิชานะมีวิชาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนพืชไม่หลงแล้วก็ไปปล่อยที่กันนาก็เรียกว่าดีคิดดีแล้วก็ทําดีทางกายแมงป่องก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก ท่านก็เห็นรูปเห็นนามตอนนั้นนะชัดเจนขึ้นมานหรือบางทีท่านอยากบุหรี่ท่านก็เห็นว่าเออมันอยากเหรอเนี่ยโอ้มันอยากอ่ะไหนมือไปหยิบสิอยากสูบก็ไปหยิบเอาเองด่นีเอ๊ะมันจะหยิบได้ยังไงถ้าใจไม่สั่งอ่าสั่งก็ได้ไปหยิบมาไปหยิบมาไปหยิบบุหรี่มาอ่าสูบสิสูบสิอ้าไม่จุดไฟแล้วจะดูดได้ยังไง ใจไม่สั่งท่านก็พูดกับตัวเองเอย่างนะี้นะท่านรู้รูป ร, รู้นามขึ้นไหมอโอไอ้จิตคิดนี่เองมันตัวสั่งตลอดจิตคิดให้พูดจิตคิดให้ทําโอ้นี่เราเป็นทาสตกภายใต้อำนาจของความคิดความคิดมีอิทธิพลสั่งงานสั่งการเราตลอดทั้งวันเล่านะี้ที่ผ่านมานะให้โกรธให้โลภให้หลงให้รักให้ชังโอ้ไอตัวนี้ไอตัวคิดเนยท่านมีสติขึ้นมารู้รูป ร, รู้นามขึ้นมา เราได้ยินได้ฟังนี่เรามันมีร่องมีรอยแบบนี้หลวงพ่อเขียนท่านก็ไลยฟังเหมือนกันท่านว่าท่านนั่งยกมือสิบสี่ยงว่าอยู่ะเสร็จ แ, แล้วท่านก็มีความรู้สึกเออมันก็ใจเรื่องรูปน้ำยิ่งชัดเจนตอนที่เดินอยู่ใต้ต้นขาขีหมูเป็นยังไงอะไทยสารต้นขาขีหมูเดินอยู่กลมมันใจลมของต้นขาขีหมูวเดินจงกรมอยู่เห็นรูปเห็นนามขึ้นมาน เข้าใจสภาวะสัมผัสสภาวะของรูปธรรมนามธรรมขึ้นไหมท่านก็มาเล่าให้เราฟังแล้วมันมีร่องรอยลอยแรกคือตัวนี้เรียกว่าได้กระแสมรรคผลนิพพานเนี่ยมันมีกระแสอยู่ก่อนเสร็จแล้วกระแสมันเกิดเป็นกระแสของความคิดนีกระแสของความคิดมันคิดแล้วก็ไหลจลิตจิตจิตจลิตจิตจิตเรียกว่าจิตน่ยจิตอาการว่าไหวจิตจิตจิตจิตจิตจิตจริงๆมันไม่มีชื่ออย่างคําว่าแม่เดิมทีมันก็ไม่มีชื่อ เด็กม exactly. ันงับหัวนมเห็นไหมอ่ำม่ำม่ำม่ำม่ำม่มกลายเป็นแม่กลายเป็นหม่ำมากลายเป็นสารพัดนะที่เป <him> <to ็นชื่อของแม่ที่ม yeah, <life> ีอย <hostile> ู่ในโลกเนี้เกิดจากคําบ่นคําอุทานอ่ำอ่ำอ่ำอเหมือนกับพุทธะก็เหมือนกันพระเจ้านั่งดูไปนั่งดูมาจนั้งเห็นสภาวะอ๋อทุกเกิดที่ความคิดเองปัตโธปัตโธเงี้ยนะปัโธพุทธ โถเฮ้ยจนกลายเป็นพุทธโถหรือศาสนาพุทธคำบนคำอุทานคำ น, นี้เราก็เลยได้เห็นว่าโอ้ล่องลอยอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมามีชื่อต่างๆมากมายแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ภาษาลงไปอะไรเป็นขันธ์หน้าอะไรเป็นร่างกายอะไรเป็นวิญญาณอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาสังขารแล้วไม่ได้ใส่ชื่อเรารับรู้ด้วยการสัมผสัสรู้ความรู้สึกตัว สัมผัสลงไปกระทบสัมผัสรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกปรเดี๋ยวรหัสของธรรมชาติก็ค่อยๆเปิดเผยให้เราตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปกปิดซ่อนเล้นจนกระทั่งเข้าไม่ถึงมันจะเป็นเรื่องของความลับของธรรมชาติที่มันจะลับตลอดไปมันไม่ลับสําหรับคนที่ตั้งใจใส่ใจนที่จะศึกษาฝึกหัดกลับมาดูตัวเองเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนะึกคิด ประโยนีมีความหมายมากต่อการปฏิบัติเราก็จึงด้อาศัยนะสิ่งแวดล้อมของชุมชนของวัดป่าสุตโตไม่มีที่ไหนในโลกจะมีสถานที่แบบนี้มีห้องเรียนกรรมฐานให้เรามีวิธีฝึกหัดนอกรูปแบบช่วยกิจวัตรจำบันซึ่งงานที่นี่ไม่มีมากแต่จะมีก็มีเรื่องของการกวาดถูสาราเช็ดเก็บขยะพวกนี้ ล้างถ้วยล้างจานพึ่งตัวเองซักเสื้อผ้าพึ่งตัวเองที่เรงจะต้องอยู่ต้องใช้งานเล็กๆน้อยแต่ว่ามันให้ประโยชน์มากมันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวนอกรูปแบบเราใช้เป็นการลดฐานลงมาจากตัวปนามาทําดีแล้วก็เติมสติลงไปด้วยวก็กายเปเรื่องของเ ก, กลือก่อนเกลื่อเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นบรรยากาศบุคคลก็เป็นบุคคลสปายะอย่างหลวงพ่อเขียนท่านมีเมตตาสูง เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์กาลยานมิตรที่เราก็รับรู้รับทราบรับฟังแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ภายในจิตใจของเราโดยพระประโยคที่เรียกว่าเมื่อวานท่านสรุปในท้ายสุดว่าชั่วไม่ทำชั่วไม่ทำไม่ทั้งชั่ววูบนะอย่าให้มันชั่ววูบเป็นดีรูบส่วนใหญ่ชั่วไม่ทำดีทำไปคิดดีพูดดีทำดีทำไป อะไรดีก็บอกว่าไม่ดีเราเห็นว่าดีทําเลยถึงห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ทําดีแต่ถ้าชั่วก็บอกว่าทำเลยทําเลยดีดีดี ด, ดีเรารู้ว่าชั่วยังไงก็ไม่ทําอย่างนี้มันต่างกันนะส่วนการชาระจิตเรารู้แล้วว่ามีการเดินจงกรมมีการนั่งสร้างจังหวะมีการดูลมหายใจมีคำบริกรรมถนัดยังไงเอาเลยที่นี่เปิดกว้างวัดป่าสุกโต เปิดกว้างเลยเรากว้างขวางถือว่ามันถูกทั้งหมดนะั่นแหละถ้าทําถูกมันผิดทั้งหมดนะถ้าไม่รู้แล้วก็ทําไม่ถูกไม่มีอะไรดีสักอย่างหรอกนะก็ะจะอยู่ยากต่อให้อยู่ที่ไหนก็ตามในในโลกเนะี้มีวัดที่ไหนมัก็อยู่ไม่ได้สักวัดเหมือนคนทําอาชีพไม่เป็นนะต่อให้ทำอาชีพไหนมันก็ทําไม่ได้หรอกไ ม, ม, มลล่มีความร่ํารวยไม่มีความมั่งคั่งเกิดขึ้นไหมไม่ ม, มีความสําเร็จสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าตัวเองไม่สําเร็จนะมันก็ต้องกลับมาหาตัวเองะ เป็นคนว่านอนสอนง่ายคนเชื่อฟังเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือกว่ากลมกลืนนะตัวพัฒนาที่แท้จริงคือการกลมกลืนไม่ต้องการเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างดีใจเราต้องการแต่เราจะกลมกลืนกับสรรพสัตว์สรรพสิสงกับทุกๆคนที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวลาตรงนี้นะ แล้วก็ประมาณในการบริโภคเรู้จักที่จะสร้างธรรมที่เป็นเครื่องตื่นก็คือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขยันที่จะเก็บรักษาให้ดีๆปกป้องสํารวมระวังอย่างนั้นนะก็พูดไว้เพื่อให้เป็นแนวทางเล็กๆสาหรับวันนี้เช้านี้เข็นว่าสมควรเวลาควรยุติเพียงแค่นี้ขอใหนะ้ความตั้งใจดีของพวกเราทุกคนทุกท่านนะก็จงเป็นความตั้งใจที่นะท้ายสุดเกิดการกระทําแล้วก็ เกิดธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติจะนั่งสามารถเข้าถึงสภาวะของนิพพานหรือว่าถ้ายังไม่เข้าถึงสภาวะของนิพพานก็ขอให้มีความสุขตราบจนเข้าถึงนิพพานในอนาคตการโดยทุกนากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ